พระธรรมเทศนาแผ่นที่114ลำดับที่19โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่24สิงหาคม2560มีชื่อเรื่องว่าฝึกจิตคนก่อนเป็นจิตควายอา้าวสมชายของเราทำไม ร้องเพลงแต่เช้านักว่ะทําไมเลื่นเรลงขนาดนี้วะเห็นไหมชนีสมชายของหลวงพ่อเนี่ยร้องเพลงตั้งแต่เช้ายัางไม่หยุดเลยหล่ลําลำทําเพลงเนี่ยเห็นมหมแต่ก็ยังดีมันมันอยู่ไกลไม่อยู่ใกล้หลวงพ่อเท่าไหร่ถ้ามันมาใกล้ๆนะหลวงพ่อพูดไม่ได้สู้มันไม่ได้เสียงมันดังกว่า วันนี้เป็นวันพระรหัสที่ย4สิ่งหาคมพุทธศักราช2560หกบหลวงพ่อก็ติดตามเกี่ยวกับเจดีขององค์หลวงตาแล้วก็เงินกระถินปัจจัยกระถินที่จะทอดวันที่เจตุลาหลวงพ่อก็ได้ติดตามแต่เมื่อวัน ก็ส่งรายงานส่งมาว่าทั้งหมดมีอยู่ได้สล้านนะนะสามล้านสี่แสนสองมสี่พันหนึ่งร้บาทแต่ของเราเอาเข้าไปหนึ่งล้านเมื่อวานเนี่ยนะที่เงินท่านโยมทุกแก่ออกมาหลวงพ่อเออเอาในนามของวัดเราเป็นนั้นว่า ในวัดของเราเนี่ยโอนเข้าไปสองล้านนะนะศรัทธาญาติโยมนะยังอีกล้านหนึ่งบาทเนี่ยก่อนที่จะถึงวันที่เจ็ดเนี่ยยังอีกล้านหนึ่งแต่ว่าโอนโอนอีกล้านนะนะั่นอ่ะแปลว่าครบแล้วที่ไนพันพันกองอ่าเพราะหลวงพ่อว่าจะรับรับพันกองน ะ, อะโอนโอนไปแล้วหนึ่งล้านก็เท่ากับ สามรอยสามสิบสามกองกว่าๆนีน้เนตไปเอกแปลว่าเงินหนึ่งล้านกระถินแต่มักขีของสร้างพิพิธภัณฑ์ของหลวงตาพระอาจัทธาญาติโยมผู้ใดนะ อ, อย่าไปช้านะทำบุญทำก่อนได้ก่อนทำช้าได้ช้า <c oughs> อ้าวมันก็เป็นอย่างนั้นจริงจริงใช่ไหม ทําก่อนจะได้ช้าได้ยังไงใช่ไหมทำก่อนก็ต้องได้ก่อนนช่ไหมทำช้าก็ต้องได้ช้าได้ทีหลังอย่างที่หลวงพ่อได้พูดว่าพระอัญญากูลธัญญาสองพี่น้องกับสุภัฒน์ไปทารราไปํานาขยัญนปทำทั้งหลาะกระทาบุญทําอะไรขึ้นมาก็ทําบุญ เ, เก็บเกี่ยวก็ทําบุญ เกี่ยวขึ้นมาเข้าใส่ลมฟังแล้วก็ทำบุญนวดข้าวเสร็จแล้วก็ทําบุญเอาเข้าวขึ้นเยอะชุงมขึ้นฉาก็ทําบุญแต่น้องชายบอกเอ้ยไปทำอะไรลําดีลำลายมากมายนักหนาวะให้มันเสร็จแล้วก็ทําทีเดียวมันจบจบไปเลยทำเมื่เสร็จไหรเสร็จนาซะก่อนทําทีเดียวเลยแตนี้พระอัญโอัญยากนธัญญานี่ ท่านปรารถนาเลยปรารถนาขอให้ได้สําเร็จมรรคสาเร็จผลก่อนเพื่อนคนคนใจร้อนใช่ไหมล่ะคนใจร้อนกับปรารถนาให้สําเร็จมรรคสาเร็จผลก่อนเพื่อนเพราะฉนั้นเมื่อพระพุทธเจ้าของเราได้ตัดสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณท่า น, น, น, นจึงได้เทศโปรดบรรจวกคี่ท้งฮคือพระอัญญโกณธัญญานีย ได้สำเร็จก่อนเพื่อนพาอตั้งความปรารถนาไว้กดใจร้อนน่อยากจะให้มันเสร็จก่อนแต่น้องชายสุพัท ธ, ธเนี่ยเนียเียมันเสร็จซะก่อนนะไปหาหลิบหาล้อนอะไร เ, เมื่อพระพุทธเจ้าจะปรินิพานนะอยู่ที่ต้นรังทั้งคู่ที่กุชินารนาะจะเข้าไปถามปัญหากับพระพุทธเจ้า พระสงฆ์ก็กันไว้อยู่ะไปจะไปถามยังไงพระพุทธเจ้าป่วยหนักขนาดนั้นจะไปให้ถามเปิดให้ไปถามปัญหาได้ยังไงใช่แต่สุภทธานี่ดันโพลังอยากจะเข้าไปอย่าไปถามปัญหาพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์ได้ยินเลยพระสงฆ์กันไว้พระอานุ์กันไว้ไม่ให้เข้ามาพระองค์บอกว่าอาอนุนให้เขาเข้ามาเถอะนั่นแหะลูกศิษย์ คนสุดท้ายของเราให้เขาเข้ามาได้ผ้านนนก็เลยปล่อยเข้าไปอพอปล่อยเข้าไปท่า น, นท่านก็ถามเลยถามถึงมรรคถึงผลอย่างอื่นพระพุทธองค์บอกว่าสุพัท ธ, ธะช่วงนี้ไม่มีเวล า, าที่จะอธิบายข้ออัดธรรมอย่างอื่นถามจุดที่ตัวเองสงสัยต้องการรู้ขณะเดียวนี่ให้เขาที่แรกาถามเปลือกถามก็พีนะ้ไป เอไม่ได้ถามแก่นแต่นั้นพระองค์บอกให้เน้นแก่นเลยไม่มีเวลาที่จะพูดเรื่องหลักเติงหลักแก้วหลักฟอยแลหละเรื่องเปลือกเรื่องกระพีแลหละช่วงนี้เป็นช่วงที่จะพูดเรื่องแก่นเท่านั้นสุพธาอะลยถามปัญหาจากนั้นก็นออกไปปฏิบัติท่านได้สําเร็จเป็นพระอรหันต์องค์สุดท้ายของพระพุทธทเจ้าท่านสุพธานะ นี่แหละอันนี้ท่านเขาพูดมาในตําราบริการทําบุญในช้ามันก็ได้ช้าเป็นธรรมธรรมธรรมดาธรรมชาติของโลกนะทําเร็วจะได้ช้าอะไรยังไงทําช้าจะได้เร็วได้ยังไงครับเพราะนั้นท่านจึงได้ไดทาบุญแต่คราวนี้ก็เหมือนกันศรัทธาญาติโยมลูกหลานตาผู้ใดไม่หนักหนาไม่ห น, นักอกหนักใจจะทําอยู่แล้วจะทําบุญเขาองลงตาอยู่แล้วเออโอนเข้ามา ขบัญชีตามบัวสัวนั่นแหละ <c oughs> ที่ได้บอกได้กล่าวไปหลายครั้งและนะ้วหลวงพ่อบอกว่าการทําบุญเหมือนกันติกุติหลวงพอ่อหลวงพ่อเออเราพูดครั้งเดียวเท่านั้นพอแล้วนะอย่าไปพูดหลายครั้งมันสับสนกับเจดีย์กับเงินกรถินของหลวงตาเดียวกับ เ, เ, เงินกุติของหลวงพ่อเดียวกับเงินกรินอยู่นั่น พอพูดแล้วก็เออเอาจบไปถ้าใครอยากจะทำบุญจะทำยังไงหลงผ่อนถ้าไม่รู้จักที่ทำก่สุดแท้แล่ะวะจะทำยังไงเวลาตัวเองจะทำความชั่วนะ้วยยังรู้จักสืบสอบหาล า, ลานโุลาอยู่ที่ไหนลานเหล้าลานเบียอยไที่ไหนเฮอยยังสืบสอบแสวงหาได้จะทำบุญทั้งที่จะใช้ปัญญาการทำบุญเพียงแค่นั้นยังไม่ได้อา้าวไม่ต้องทำ หลวงพ่อว่านะอการที่จะทําบุญมันก็ต้องสืบสอบพระธรรมยังได้ยังไงเอนี่แหละเจดีย์ของหลวงตาก็เหมือนกันนะ ล, ลูกหลานทุกคนนะที่ได้ยินเสียงหลวงพอนะ่อการทําบุญก็เจดีของหลวงตาเนะี่ยหลวงพ่อมั่นใจจึงได้พูดกล่าวแล้วกล่าวอีกให้สร้างบุญสร้างกุศลนะด้วยจิตศรัทธานนะลูกหลานนะ แต่ไม่นักอย่าไปให้หนักใจนะแต่หลวงพ่อพูดทั้งนี้ทั้งนั้นนะไม่ได้บีบลาทาเล่นผู้ใดใครผู้หนึ่งนะแต่ดูเจ้าของนะถ้ามันมีมากจะน่าจะเก็บไว้ทําไมควรจะสร้างบุญสร้างกุศลถ้าหากวันเราไม่สร้างบุญสร้างกุศลไว้นะ่ะบุญกุศลจะสนองเราได้อย่างไรเกิดมาพบนายชาตินากระทุกจนอีกเพราะเหตุไรเพราะอา น, นิสงส์ไม่มี คนทำบุญทำทานเทะนะ่านั้นอเนกสงมีนะอเนกสงบุญกุศลเกือ้อกูลนุนติดพบติดฉาติไปพอตายแล้วไม่สูญอย่างที่หลวงพ่อได้พูดเมื่อวานยีนมาหลวงพ่อพูดว่าตายแล้วไม่สูญนะวิทยาศาสตร์เนี่ยไม่สามารถจะพิสูจน์เรื่องของใจได้วิทยาศาสตร์แขนงไหนก็เถอะทุกวันนี้ มีแต่สมาธิของพระพุทธเจ้าเท่านั้นอ่ะจะพิสูจน์เรื่องของใจวิทยาศาสตร์จะเก่งขนาดไหนก็จะอตั้งกองวิทยาศาสตร์เอาผมจะสํารวจแนวความคิดของ ค, ค, คุณคุณคิดเรื่องอะไรขณะนี้นะเนยเผอเผ๋อไอ้คนที่ให้เขาสํารวจด่าโคตพ่อโคตแม่คนที่สํารวจอีกต่างหากก็ยังไม่รู้อีกต่างหากใช่ไหมเพราะ ทำไมโง่นักจะจะมาตรวจได้ยังไงถ้ามันํารวจรู้จริงว่าข้าคิดอะไรข้าคิดอะไรแล้วถ้าข้าจะด่าให้ดูเดี๋ยวนี้แหละด่าเอาด่าเอาด่าเอาด่าเอาไอคนที่ํารวจเห็ุโจล้อเพราะมันํารวจไม่ได้ใช่ไหมล่ะํารวจใจไม่ได้ฮเพื่ออะไรใจเป็นนามธรรมมันํารวจด้วยด้วยรูปธรรมไม่ได้นะ มันเจ้าของตนเองรู้ได้ด้วยตนเองอย่างรถทุกวันนี่หลวงพ่อนั่งรถไปมือเช้าเนะี่ย C R V เนโซเฟอร์ขึ้นไปไปเหมือนจะสตาร์ทไปเลยมันก็บอกเป็นเสียงโขนออกมาเลยต้องกดต้องปดเบรกมือสะก่อนจึงค่อยสตาร์ทเมันว่างันนะโอ้โหต่อไปเนี่ยรถจะด่าคนเอ๊ะหลวงพ่อว่าเดี๋ยว่า เออพอพอขึ้นไปนะทำไมงโงนักมันทำไมไม่รู้เหรอบอกให้บอกทุกคนแล้วมันทำไมไม่สอนกันรถมันจะบอกจะด่าคนต่อไปนี่นะเออรถมันจะด่าคนขับเออด่ากันเออมันจะด่าเป็น ท, ทอดๆไปนะเพราะอะไรมันรถมันฉลาดกว่าคนใช่ไหมล่ะเออเมื่อเช้าเลยหลวงพ่อได้ยินนะสีเอวีด่าคนแล้วงั้นสอนคนเลยว่างั้นเลย ก่อนที่จะสตาร์ทต้องปล ด, ปลดเบรกแบกมือซะก่อนบรนวาด้ว <c oughs> ลงพ่อที่โอ้โหนี่แหละสรุปแล้วก็คือเวลาเราขึ้นไปเนี่ยพอเราเริ่มสตาร์ทเครื่องเท่านั้นเองเวลาจะขยับรถเนี่ตดั้กเทื่ยงขึ้นมาแล้วสมองมันก็บอกล่ะสมองมันก็สั่งงานและเมืออก็โรมพวกเรานอนตื่นขึ้นมา พอตื่นปุ๊บขึ้นมาเลยเออใจของเราก็พอหลางกายมันหลับใช่ไหมจิตวิญญาณก็ออกละเออพอมันหลับละแปลว่าเครื่องคอมพิวเตอร์มันมันหยุดทํางานนะมันก็ไปพักผ่อนเลยใจก็ออกไปก็ฝันนะปะนะบางทีก็ละเมอเพ้อฝันไปก็มีเอ อ, อันนั้นคือใจมันออกไปพอจากนั้นตื่นขึ้นมานะใจเข้ามาคือมาเหมือนกับโซฟอร์นะเข้ามาสตาร์ทรถ พอจะตัดรถสมองก็ทำงานเนะพราะสมองทำงานเจแล้วใจก็สั่งเลยสั่งสมองนะจะให้ทำอะไรจะให้ด่าคนยินดียินร้ายมีมากมายใจของต่อปุ่งฟุ้งตลอดนะ่ตัวนั้นแหละตัวสำคัญนะในหลักของพุทธศาสนานะตัวใจน่นะที่หลวงพ่อย้าแล้วพูดอีกที่พระพุทธเจ้าให้ความสำคัญนะตายแล้วไม่สูญนะ ตายแล้วเกิดอีกตัวที่มาใช้สมองนั่นน่ะตัวนั้นแหละตัวผู้รู้ตัวนามธรรมาตัวจิตใจนั่นน่ะตัวนั้นอ่ะไม่ตายตัวนั้นจะต้องออกจากร่างนี่เหมือนกับเราเปิดจะเปิดสวิตขึ้นมาแล้วสตาร์ทเครื่องขึ้นมาแล้วเครื่องก็สอนทันทีอพอสมองมันสอนพอสอนเสร็จแล้วเลยพอดับเครื่องเลยซเฟตร์ก็ออกจากรถน่ะ นี้ก็เหมือนกันพอหยุดเครื่องโซเฟอร์ก็ออกจากรถพอดับเครื่องมันก็ร่างกายมันนอนหลับร่างกายนอลับใจเขาออกจากร่างไปพักที่ไหนเมื่อกับเรานะั้นพอเราดับเครื่องเร า, เาออกออกไปหาอยู่หากินไปที่ไหนแต่ขณะที่ตื่นขึ้นมาเราก็ทำงานน่แหละสรุปแล้วก็คือใจของเราเนะี่ยมันเป็นตัวนามะธรรม แต่มันพิสูจน์ไม่ได้ในทางหลักวิทยาศาสตร์อย่างที่หลวงพ่อว่าเนี่ยจะตั้งกล้องตรงไห น, นจะตั้งเครื่องตัวไห น, นตัวเครื่องตัวไหนมาจํารวจในร่างกายของเราเนี่ยติดเข้าไปเถอะเอาผมอยากจะรู้คุณคุณคิดเรื่องอะไรขณะนี้นะเพอเพอเองคนที่ไอคนที่ให้เขาตรวจนั่นะ คำ ม, มันดวดคามันรู้จริงๆเลเดี๋ยวกูจะด่ามึงต่อหน้าเยนะ่ยหละกูคิดด่ามึงมึงจะมึงจ ะ, ม, งจะมึงจะจับได้ไหม <c oughs> นี่แหละมันจับไม่ได้อีกแนะ้ว่าวิทยาศาสตร์ที่หลวงพ่อพูดว่าวิทยาศาสตร์จับจิตวิญญาณไม่ได้นอกจากสมาธินะพระพุทธเจ้าไปโ้นขวายศึกษาเลยล่ะสมาธิเท่านั้นจึงจะจับ จิตตวิญญาณดวงนี้ได้สรุปแล้วจิตตวิญญาณดวงนี้นะ่ะทุกคนมันมีเลยมันแล่ล่อนไปเรื่อยถ้าจะเป็นลิงก็ลิงลิงไม่มีเจ้าของนะ ว, วะถ้าเป็นวัวเป็นควายเป็นสัตว์ปา่ากไปว่ามันอยู่ตามสภาพของมันเออละเหยลอยลมหาเที่ยวหาอยู่หากินไปตามประษีภาษาแต่นี้เราจะฝึกมันท่าน เราได้ยินพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าต้องฝึกนะเรื่องจิตนี่ต้องฝึกนะถ้าไม่ฝึกไม่ได้นะมันจะเป็นควายปา่าเถื่อนวัวเถื่อนควายเถื่อนกระทิงเถื่อนมันอยู่ในป่าต้องฝึกวิธีฝึกทำยังไงเราเคยฝึกมาแล้วตัวอย่างของเราที่โคนต้นโพนะ่ะวันเดือน6เพลนนะ่ะเรากำหนดลมหายใจเข้า รัวหายใจเข้าหายใจออกรัวหายใจออกมีสติสัมปะชัญญะตัวสตินั่ะสําคัญนะเอาสตินั่ะเป็นเชือกะเวลาจะจับบัวจับควายป่าน่ะเดี๋ยวนี้มันบัวควายป่ามันเล่นล่อนไปตามอําเภอของใจของมันมันจะขิดมันจะชนมันจะทําอะไรของมันมันถูร้ายแต่ทีนี้เราจะมาฝึกอให้มันควรแก่การงานเราจะจับมันยังไง ต้องสตินะแต่ทนะั้นก็ให้ใช้สติสัมปชัญญะเนะี่ยพอสติสัมปชัญญะจะได้กัพยายามจับ <c oughs> จั บ, บวัวตะกอนเมื่กวันวันก่อนหลวงพอ ว, ว, ว่าจับควายมันเอ จ, บบนะนะอจับบัวนะพอจับวัวมาได้มัดเชือกมัดค อ, นะอมันทเลยพอมัดคอมาล่ามเสิต้นไม้มาล่ามเชิหลักเอาไว้นะ คร้าๆมีสติสัมปชัญญะดูใจของเราเราจิตใจของเราเรานึกคิดเรื่องอะไรในขณะนี้นะไม่มีใครรู้นะไม่มีใครรู้ยิ่งกว่าตัวของเราแต่ละคนนี่แหละการฝึกสตินะพอจากนั้นพอเราเอาสติสัมปชัญญนะไปพกกับจิตใหม่ๆมันก็ต้องพยองพองตัวกระโดดโล ด, ดเต้นเหมือนกับ วัวป่าที่เราไม่เคยถูกเชือกไปเคยจับมันแต่เรามีความพยายามมีความตั้งใจมีความมุ่งมั่นที่จะต้องเอ๊ะต้องจับอยกมัววัวมาให้ฝึกให้ได้เพราะวัวของเรามีอยู่ตัวเดียวเนี่ยเพราะใจของเรามีอันเดียวใช่ไหมล่ะเราก็เอาตั้งสติให้ดีสติสัมปชัญญะพยายามมันอยู่ที่ไหนมันเป็นยังไงมันคึกขนองเ ย, ยมันเที่ยวเตร่เล่หล่อนที่ไหน แปลว่าสติของเราตามตลอดที่ได้ก็ตามห่างๆใช่พอต้องมาตามทันเข้าทันเข้าทันเข้าไก่เข้าไก่เข่าพอเรามีความพยายามผลในสุดจับได้เลยจับได้ก็เชือกมัดคอวัวแหละมามัดใส่หลักเออต่นี้พอวัดมัจจนาตัวัวมันก็ต้องพยองพองตัวเป็นธรรมดาเลมันต้องออกไปพอออกไป จิตของเราจะจ้องดูตลอดเดิดูใจของเรามันนึกคิดเรื่องอะไรในขณะนี้ผลในสูกดนั้น mm hmm. ดึงลากเข้ามา อ, อมาอยู่ใกล้หลายครั้งหลายหนผลในสุดมันก็เชื่องมันก็นอนนะเวลามันนอนนะ่ะเรียกว่าจิตจัจิตที่เป็น อ, อัปปนาสมาธินะเนี่ยวัวมันมีหลายระดับเพราะจับได้เนะี่เป็นว่าคณิกะนะจับได้ปะข้ช่วครั้งชั่วเข า, ขาประเดียวประดาเนะี จะเปรียบเทียบกับคิกคณิกะสมาธนะิอุปจาระสมาธิมันจะเดินวกวนเวียนอยู่ที่ไหนอยู่ในอยู่ในอยู่ในบริเวณนะนะั่นแ่ะที่เชือกมัดคอมันไว้อยู่นะอะมันก็เดินวกวนเวียนแล้วก็ดูมันอยู่อันนี้เราอุปจาระสมาธิแปลว่าจิตใจของเราทันขณะใจของเราเรานึกคิดเรื่องอะไรในขณะนี้แต่มันไม่ออกนอกลูก่นอกทางนะมันไม่กระโดดโลดเต้นเหมือนตะก่อนไม่ได้เข้าป่าเข้าป่าลงพงไพเหมือนตะก่อนเล เพระาะไรเพราะว่าสติของเราเนี่ยมัดคอมันอยู่นะมัดคอวัวอยู่มันก็อยู่ในกรอบนั่นแนหะมันไม่คิดไม่ชนคนนะทีนีพราะมันอยู่มันอยู่มันอยู่ในกรอบดูในสติสัมปชัญญะของเราอันไหนควรไม่ควรอันไหนถูกต้องไม่ถูกต้องอันไหนเป็นธรรมไม่เป็นธรรมอันไหนสูงอันไหนต่ำํสำสัมมาคารวะอันหนสติที่เป็นอุปจาระเนี่ยดูดูใจของตนเองอยู่ตลอดพอในสุด พออยู่เข้าไปแล้วมันก็จิตใจมันมันมันเดินมันไปไปมามันกนวนไปวนมาวนไปโตมาเหมือนนิ่งแต่มันหยุดมันนอนมันนอนกับที่นะที่ว่ามันนอนเน่ยสติของเราก็ทันมันอันนี้เลยว่าเป็นจิตที่เป็นอัปปนาสมาธิจิตเป็นอันใดสติเป็นอันนั้นเอ จิเป็นอะไรจิตเป็นอะไรจิกับจิตเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันคือมันนอนนิ่งจากนั้นมันก็ถอนขึ้นมาอีกพอถอนขึ้นมาอีกเราก็รู้ว่ามันถอนใจของเรามันถอนออกมาจากอัปปนาสมาธิมันก็มาสู่อุปจารสมาธิเพราะอุปจารสมาธินี่มันก็มันก็เดินวนไปวนมาเดินอยู่นั่นแหละมันก็รู้ว่ามัน มันเป็นยังไงใจของเราเป็นยังไงในขณะที่มันเดินวนไปบนมาแต่นิสติของเรากออเออจะให้มันพิจารณาอะไรใใจของเราจะให้พิจารณาอะไรเมื่อก่อเราไปจู่มไปกินน้ำเหรอใช่ไหมจู่มไปกินน้ําจุ่มไปกินหญ้าใช่หญ้ า, าที่ตรงไหนมันที่อุดมสมบูรณ์เออสติของเรารู้เนะ่แต่ก่อนมันเป็นควายเถื่อนควายป่าใช่ไหมกระโดดโลดเต้นไปตามประศีประสามันไม่รู้ดีไม่รู้ชั่วไม่รู้จิกจักไม่รู้จักสิ่งควรไม่ควรนะี่ พราเราไม่มีสติสัมปชัญญะแต่ในบัดนี้นนสติสัมปชัญญะมัดคอวัวไว้แล้วนะจูงลากไปไปกับไปเห็นหน้าญ้าที่ไหนดีๆญ้าติไหนดกๆที่สมบูรณ์อแล้วก็ให้ให้มันกินญ้าเสร็จแล้วก็ไปกินน้ําแล้วก็ให้มันกินหยาแล้วก็ออกมาพักผ่อนพักพรเสร็จแล้วก็ได้เวลาเอาไปกินยา แล้วก็ไปกินน้ํา พ, พักพักผ่คืออะไรมันไปหากินญ้ากินน้ําเสร็จแล้วนะ่ยคือมันไปพิจารณาแต่พักพรคืออะคืออปปนาสมาธิมาพักผ่นมานอนอีกพอนอนเสร็จแล้วก็ลุกไปอีกไปหากินญ้าอีกออกินยานะี่ยเพ่อคืออะไรคือพิจารณาร่างกายนะีมันออกไปกินญ้าคือพิจารณาให้พิจารณาร่างกาย เกษาผมโลมาขนนค า, าเล็บทันตาฟันแต่โจหนังมังสังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้าหัวใจตับพังผืดใตปอดไส้ใหญ่อาหารใหม่อาหารเก่าเนี่แหละให้วัวตัวนี้นะมันท่องอยู่ในกายยนครตัวนี้นะม่กินหญ้าแถวนี่แหละให้ดูร่างกายสังขารม่ใช่ตัวตนของเราอีกทักหนึ่งหนึ่งวันหนึ่งแก่แก่แล้วก็เจ็บเจ็บแล้วก็ตายไม่มีใครไม่ตายเกิดมาในโลกนี้ ตายแน่ๆไม่เป็นอย่างอื่นข้าพเจ้าเขาจะต้องตายเขาจะต้องเผาข้าพเจ้าอีกแน่นอนอีกวันหนึ่งข้างหน้าเราเคยเห็นตายมันลมื่อกี้คู่กี่คนแล้วพ่อแม่ปู่ย่าตายใจของเราตายไปหยุดที่ไหนทําไมใจของเราจึงไปหลงมัวเมาว่าโลกนี้จะเป็นของเราได้ยังไง เ, เราควรประกอบคุณงามความดีนี่แหละเมื่อเราเอาเชือกผูกวอผูกวกตัวนี้แล้วนะ มันก็หายกินหญ้าอยู่ในนมันอยู่ในกรอบนะอยู่ในกรอบของอุปจารสมาธิสิ่งควรไม่ควรถูกต้องไม่ถูกต้องเป็นธรรมไม่เป็นธรรมกับพิจารณาเสร็จแล้วมันเหนื่อยเอากลับมามานอนมานอนเข้าสมาธิพักผ่อนพอพักผ่อนมันมีแต่พักผ่อนอย่างเดียวไม่ไปหากินหญ้าจะได้ว่าวัวป่วยนะวัวป่วย อม่ไม่ฮะไม่ไปหากินหญ้าเลยผลในสุดมันก็อยู่ในสมาธินะไม่เกิดประโยชน์อีกเหมือนกันอมันต้องออกให้ให้มันไปหากินหญ้ามันจะได้เลี้ยงร่างกายของมันจะได้รับรู้เรื่องต่างๆจากนั้นก็พิจารณาอีกอจนเกิดความเบื่อหน่ายคลายรู้แจง้งเห็นจริงนั่นแหะใจตรงนั้นจึงจะหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสไม่มาเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสาร เป็นอนันตการนี่แหละสรุปแล้วคือหลวงพ่อเปรียบเทียบให้เป็นรูปธรรมให้พวกเราได้ไดสังเกตนะอันดับแรกก็คือเจ้าของเนี่ยคือเป็นผู้มีศินเป็นผู้มีศินเป็นผู้อยู่ในกฎระเบียบอจากนั้นก่อนเราใช้หลักธรรมคําสอนของพุทธคือสมาธิที่จะพิสูจน์อย่างอื่นนอกจากสมาธิแล้วไม่มีทางอย่างอื่น ปิยาศาสตร์จะเก่งกาดขนาดไหนก็เถอะจะมาพิสูจน์เรื่องจิตวิญญาณเนี่ยให้ออกมาพิสูจน์ดูถ้ามาพิสูรรจน์หลวงพ่อเอาตั้งเลยเออจะมันมีกี่เครื่องมาโสดูรหร้หลวงพ่อจะคิดเรื่องอะไรเอ่อหลวงพ่อจะด่าคนที่มาพิสูจน์ตีดต่างหากให้ให้ฟังเลยเฮ้ยจับได้ไหมว่าหลวงพ่อคิดอะไรเดี๋ยวจะว่าอย่างนั้นอีกเขาน่ยแต่ที่แรกที่แท้ด่าจนพอลังเราเลยเออ นี่แหละมันจับไม่ได้ที่หลวงพ่อพูดนะอมีแต่พวกนี่แหละพวกพวกไออะไรจิตแพทย์นเนี่ยพวกจิตแพทย์พวกนี่แหละหมอดูหมอเดาเนี่ยเอออันนี้เวลาพูดคือมากับมองหน้าเขาก่อนไวพอมองหน้าเขาแล้วเนี่ยเขาตื่นหมลยเวลาพูดไปเขาตื่นโอ้มาช่ายช่ายิ่งย่ำเขาไปอีก พราะมันมันหลายมันหลายคนนะใช่ไหมมาหาจิตแพทย์เนี่ยทำนายไปเรื่อยเทลยไอ้คนที่คนที่ไปถูกทํานายห ม, มอดูเนี่ยเก่งจริงๆว่ะหมอดูหมอเดาเนี่ยเก่งจริงๆแล้วผู้ถูกเยที่เราไปหาเนี่ยนะที่แท้เขามีจิตวิญญาณจิตวิทยาพลังเรานนเนี่ก่อนที่จะไปผูกผู้ผู้คนที่มาหาเขามันเป็นปีกี่ร้อยกี่พัน เวลาเขาพูดขึ้นมาแล้วเขาจะต้องแสดงอากับกิริยาอย่างไรที่เราพูดเข้าไปนี่ เ, เขาตื่นตระหนกไหมแสดงตื่นตระหนกแสดงว่าเราพูดถูกแต่เราเขาพูดทั่วไปแล้วเขาเฉยเฉยแสดงว่าเราพูดไม่ถูกจุดเอาฐานท่าใหม่พูดอีกเอาเอาจะมันพูดจะมันถูกที่ถูกทางพวกที่เราเข้าไปในเออมันเลี่ยเลี่ยมไม่ถ่านเขาใช่ไหมก็ชื่อเขาอีกเลนี่นี่แหละหมอดูหมอเดา เออหมอเก่าขี้กากหลวงพ่อเคยพูดนะแ ต, แต่แต่พวกหมอดูมอเราได้ยินหลวงเขาคงจะว่าให้หลวงพอ่อมื่นกันนะหลวงพ่ออินพูดอะไรวะหลวงพ่อก็พูดตามภาษีภาษาหลวงพ่อนะนี่แหละสรุปแล้วก็คือเรื่องจิตวิทญาณ น, นอกจากพระอระหันต์พระพุทธเจ้าพระอรหันตาสาวกทที่ท่านได้สำเร็จปฏิสัมพิทายานอ น, นั้นเราต้องยอมรับ อันนี้เป็นยาในรสนะใจต้องทายใจใดจงรู้ใจอันนั้นเป็นอีกส่วนหนึ่งแต่ขณะพุทุชนหรือวิทยาศาสตร์เนี่ยหลวงพ่อพูดได้เลยว่าไม่สามารถที่จะพิสูจน์เรื่องจิตใจได้นะมีตัวของเราท้านเองที่จะพิสูจน์ว่าขณะนี้ใจเราคิดเรื่องอะไรใจของเราเป็นสมาธิไหมจากนั้นคืออย่างที่หลวงพ่อดียพูดสติสัมปชัญญะเนี่ยอย่าไปนหนีจากจุดนี้นะที่จะจับจิตนะ มีสติเท่านั้นสติสัมปชัญญะเท่านั้นจะเป็นเชือกจะเป็นผู้สังเกตสังกาควายวัวกลัวเท่านั้นมันไปหาหากินที่ไหนมันนอนเ่ที่ไหนมันไปยังไงสังเกตตลอดปุถุสูก็จับมันได้เพอจับขึ้นมาแล้วกันนะมาใช้งานมาพิจารณาจนจิตใจของเราเห็นตามความเป็นจริงเกิดความเบื่อหน่ายคลายมายึดมัน่นทือมั่น เป็นพระอรหันต์นี่แหละในหลักธรรมคำสอนของพระพุทให้พวกเราสังเกตนะที่หลวงพ่อพูดทั้งนี้ทางนั้นให้ฟังอันนี้อุ ป, ปมาอุปไมยไม่มีในตำรานะที่หลวงพ่อพูดให้ฟังเพียงแต่อุ ป, ปมาอุปไมยให้พวกเราท่านทั้งหลายได้สังเกตนะสมาธิเป็นยังไงสติเป็นยังไงสมาธิเป็นยังไงปัญญาเป็นยังไงรู้แจ้งเห็นใจคินใจให้เกิดความเบื่อหน่ายคลย หลุดพ้นจากอาชาวกิเลสอย่างไรนะเอาตอนนี้ไปละพอในีนี้นะ